มีหน่อยนะครับว่าจะมาเฉลอปัญหานะเคยถามไว้ราบางรุ่นจะลืมแล้นแต่ผมจําได้มามงที่นะครัยังตอบไม่คัดเจนนะอันนี้ไปถามอาจารย์แล้วนะครับได้คำตอบไม่คัดเจนว่าเป็นยังไงจะพูดถึงเรื่องนะครับที่เคยถามว่าเกี่ยวกับคณะจีวอนถึงว่าจีวอนเป็นนิสิตทีแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับ มีแตจีวรมันเกิดสิบวันเป็นต้นเนี่ยนะนะครับเราไปสลานียถ้าว่าสละจีวรแล้วถ้างสงแล้วเขาผสมมานั่งรวมกันเนี่ยบาปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีใจมุ่งสายกับบุคคลจะสร้างให้กับรูกนี้แหละแต่ว่าผสมเขานั่งรวมบาปแล้วนะครับอันนี้ใช้ไมนะ่ได้ครับเพราะว่าสงเนี่ยเนี่ยบาปแล้วนี่เราก็ไปการไปสละประสงค์ครับ ถ้าแถมานะจะมาทําการองนี้ไม่ไ so ด mm. ้นะครับเพอความเชิงไม่ได้นะสำเราต้องการอะไรนะศาสตบางคนก็นิมนต์เข้ามาจะถมาของก่อนแล้วก็มาสถานทำวิเนัยกรรมนะครับถ้าใช่ถ้าการเสร็จแล้วสงแน่ถมาทั้งหมดเลยนะยัไม่ต้องสถาแต่ถ้ายังไม่ได้อถบานะไม่เป็นไรยังไม่ได้ไปนั่งรวมกันยังอยู่ในโบยังอะไรนี่ครับอันนี้ก็ได้ สามครับปัจจัยอย่างอื่นจากจีวอที่โยมน้อมถวายเราแล้วไอ้ที่ว่าไอ้นะโยมเข้าเก็บตังไว้ตั้งต่ว่าจะเาเงินไปซื้อจีวอน ม, มาถวายพราใช่ไครับถ้ารู้ถามเข้าก็ไปบอกโยมเลยโยมถ้าจะซื้อจีวอถวายจะ ม, มานะเอาจีวอชนิดนี้นะเพราะว่าถ้าจีวอที่อยากจะมาไม่ใช้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรให้ไปจัดใจเัาเล ย, ยนะตอนนั้นที่ว่ามันเป็นนํามบัตรไ ย่อมดีเท่านั้นเช่นหมครับแต่ถ้าอาศัยความมากน้อยไปบอกให้โยมถวายจีวรที่มีราคาน้อยกว่ามีราคาที่มีราคาเสมอการ น, นะแต่ว่าเป็นแบบอื่นนะแกจะตั้งใจไหาจีวรที่แบบมันสีไม่สมควรนะสีสองสีแสงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปบอกให้ใส่ใ ห, หาสีแบบหนึ่งแต่ราคาเข้ากันอันนี้ได้ใบ น, นะครับได้ดงนั้นถ้าพูดถึงจีวรนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่จีวร เป็นปัจจัยอย่างอื่นจากจ e ีวรที่โยมน้องถวายเราแล้วหมายแค่ว่าข้าน้องถวายแล้วนะคนือเขตั้งใจจะถวายเราแล้วนะครับถึงแม้เสียไม่ถึงถวายแต่ที่สุดก็ไปจัแจงให้ข้อวถวายของอย่างอื่นนะครับ น, นั่นคือเขาตั้งต่ใจนะที่มีเช่อบอกว่าข้าจะถวายนะใช่นะักซสี่หลวงโยมต่ดข้อคอแตมาอย่างนันง <c oughs> ตัดขอ้ขอพอหนะงตัดข้อคอนี่นะที่มีราคา น, น้อยกว่า หรือว่าเสมอกันอันนี้ก็ถือว่าใช้่ามเหมือนกันอันนี้เป็นนัยยะของการเทียบเคียงนะครับเพราะขนาดจีวรยังได้นะเราเทียบเคียงได้เหมือกันแต่จะเป็นบอกให้เข้าไปหาของที่มันมีราคามากกว่านี้ได้เราไม่ได้นอกจากว่าเขาเป็นอย่างตัวนาเราถึงจะได้ก็แต่บาทเลยไม่ได้เออไม่ได้เลยต่อไปสี่เราทายตี่งบอกว่าขอถวายที่ดินให้แกสง อันนีนะ้ถวายที่ดินได้สองนี่้ารับไม่ได้นะครับจะเป็นสวนไรนาที่ดิ น, นครับถ้ารัไม่ได้ทางนั้นคพูดนี่เป็นคําพูดที่เป็อนอักขระเยอะแล้วไม่สมควรสงจะรับไม่ได้เขาต้องพูดว่าอะไรขอถวายวัดคือที่ที่เขาเนี่ยนะนะครับต้องใช้คำพูดให้ถูก ว, ว่าขอถวายวัดขอถวายที่พักสงถวายอาราถวายวิหารนะครับถวายสวนปา่านีืถวายปา่าเนี้ยได้นะ คำพูดนี้เป <umb ut ros> <t umb ut as> no. ็นคูดที่ถูกต้องนะครับอนี้ถึงจะใช้ได้เป็นของข้านเลยใช่ไหมใช่เป็นของข้านเลยอ๋อไม่ได้น่าจะต้องในสวนเขียนปากใช่ใช่ถ้ามีทุ่งปักก็ไดนครับถ้าเป็นไรในสวนที่ ก็เป็นเรื่องขนะ อ, อ, องโยมไปนะแต่ของท่านม่มีท่อรอกานโยมก็ตกงานยก็ตบมองโยมนี่แตงซี่มันกกระเพาะ <c oughs> ใชไหมอ้อา <c oughs> วคือเราก็เปลี่ยนไปอย่างนึ่งก็ได้ครับอนะันนั้นปันน่าใอนะื่นเนี่ยที่มันสมควรต้องพาะว่างไปที่วลาราคามันเข้าขกับนั่นนะตอตาฟังนะครับ อันนี้มิงนะผมกว่าอันนี้เกี่ยวกับผ้านะผมก็เกี่ยวสามีจีกรรมเมื่อวานนะครับเกี่ยวก้าผู้ภาษามากบอกใช่ไหมมีการลุกเลากราบบ้านการทำชลีสามีจีกรรมแบบี่างๆครับอันนี้มาถามอาจารย์นะครับผมว่าผมพยายามไปค้นดูนะมันไม่ชัดเจนถามไว้ก่อนคนใช้เวลาตั้งนานแล้วก็ไม่ชัดเจนนะมีหลายที่นะครับพอมาถามโอ้ไว่คำเดียว นะครับเรื่องสามัญจิกรรมนะจะต้องการสามากเท่านั้นนะครับที่ว่าไพศาสามากนะมากกว่านะไปทำกับไพศาลน้อยกว่าแล้วท่านจะต้องอาบัตรครับอย่างอื่นไม่มีอาบัตรนะครับนี่นะก็ส่วนสามัญจิกรรมอย่างอื่นเนี่ยไม่มีการต้องร่าบัตรแประการใดนะครับก็ก็สามารถที่จะทาได้ครับไพมาลน้อยกว่าอย่างเป็นคุมาอาจารย์ก็ทำได้สามัญจิกรรมอย่างอื่นนะ เราถ้ากัดบ้านยังไงก็ไม่ได้ครับจริงๆไปคูบาตาอะไรเราก็แล้วแต่ถ้าภาษาน้อยกว่ากัดบ้านไม่ได้ครับก็คงจะดูสิได้แใช่ไหมครับแชกภาษาหน่อบตรงรับบาปไปล้างไปอะไรก็ได้เครับไม่ต้องฟัาเหมือนกันนะจริงๆถ้าผมมีดีให้ทำใช่ไหมครับนั่นแหะได้ไม่ได้ครับแต่ไม่มีอาบัตเล ถ้าเขาสามารถเดินเป็นอาจารย์ได<ม>้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยท่านเป็นศาสตมากกวท่านอ่ะจะมาการามาไห้ยไม่ได้อันนี้นะมันกรบมาว่ายไม่ไ ด, นนาาไได้แต่ถ้าเขาจะมาช่วยเหลือทาวาปฏิบัติอถาเนี่ยได้แต่ว่ามาในเพศอะไรนะถ้าเ้าไหมาตว่าตัวเองค่ะงัะไม่ได้ไะเขาทำเขาไม่ถูกก็อ เพราะว่าถ้าเรามีนาษาน้อยกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควราหวสำหรับหน้าที่ภาษามากก่านะครับไม่ได้ผมว่าผมรับไหวก็ไม่ได้นะครับเจอไหวแต่พออุปกรณ์ชนี้ไม่ได้ทางบ้านเองนั้นก็ทําไปนะครับแต่ก็ไม่มีกลับเขาต้องถามภาษาก่อนความบางที่นะถามภาษาเขาก็ไม่ยอมบอกนะ บางทีก็ไม่ทันได้ถามนะครับมันมีวิธีเลี่ยงนะที่เข้าทำกันนะก็คือเราก็ยอมือว่าจะหันไปทางอื <c> ่น <oughs> บางทีเข้ารู้เราส ม, มัยเรารู้แล้วคว า, ามสนาจน้อยกว่าใช่ไหมถ้ามาันนําบ้านเขาโกรธข้างนอกเนี่ยเขาไม่พอใจเลยนะเราก็ยอมือว่าเหนกันจะหันไปทางอื่นนะครับได้ครับพอใจอย่างไไม่่ใชแง เขาม่ทำสังเกตแลวก็อย่าให้เขาเอ่อรวบตัวอืมไม่ไม่เช่ไม่ใช่แทนมือไม่หรับอีกตอนนู้นว่า พอคุยกันหาไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ท้าว่ากก็เคยเคยทเแี่ก็ไม่มีใครถามนะครับกไม่ค่อยได้นะทนหมอเขาบอกแปล้วไหว่านี้ไครแต่งเนี่ยเดี๋ยวพกอไปถามภาษาก็ไม่ยอมบอกอะไรนะ ก็มานวันวันศุกวันี่นะได้ขึ้นดร้แต่ตรงนี้ตลาดของถ้าเราไม่รู้ว่าไม่ก็ไตรงหนจว่าเขที่มีอยู่าเปิดมาตลาดรงนี้นะจำได้ตว่าไม่รู้ตไปรู้ว่าเลาอะไรี่ข้างข้างใชชแต่ที่นี่ก็่รู้ว่าของตรงหเดี๋วถ้าผมพูดของท่านมันจะมีมังกับเองครับถ้าอีมังแขงใกล้ๆองสบ ถ้าจะตามของที่อยู่ไกลมันก็ต้องนึกไปว่ามันอยู่ตรงไหนนะทใาใจว่าในสลาดของอยู่ตรงนั้นนแต่นี่ยังไม่รู้นยะแต่ว่ามันมีจริงใช่ไหมครับถ้ามี้ามีามันออตลาดเลยอ่ครับพอไม่ตลาดมกมันจะต้องระบาด อ, อีกใช่ม <c> ฮ <oughs> ่<อ>าฮ่มีนตลาดลครับนีอ่อย่างได้ใช่ไหมได้เอาว่าทำใจว่าไม่ฉันนล้ไม่ฉันไม่ฉันนล้วันเขาจะว่าได้อยู่นะเพราะงั้น มันจะเรียกอามไม่ได้นะที่ท็อเขาจะไม่ได้โยมามัเ็บเนอะบนี้ยมไม่มีโ่ะแต่สรับทานเนี่ยมีานะเก่ง่หนว่าอไ่ายเก็บได้ที่แต่ถ้าเก็บเกินแล้วก็ยังเอามาใช่อีกแต่ถ้าโดยว่าเรื่องของการที่จะให้ไปอามสำหรับยมทนี้อมีนี่นะยมไมีไมอบ ไม่พาถึงมีโทษใช่ไหมพ่อพรเจ้าทรงบัญญัติกันแล้วคือจะกั้นสวรรค์นิพพานก็ต่อเมื่อท่านคือทนรู้ท่องรู้นะว่าคือบัญญัติานันก็จงใส่ลูกละเมอจงใส่ลงเละเมอไอเจตนาที่รูกมออามบันก็บอกว่าเป็นอกุศลที่มีกำลังครับเ่าน้องรู้ว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไวแล้วนะอันนี้สิ่งที่ไม่ควรตาความวินัยใจตรงนั้นในทางนะที่ว่าจะพาไปสบายได้ มันก็จะตัวอาแบบเยอะอะไรนะเทียนแต่ว่าบางอย่างนะถ้าอาบาดนะั้นมันไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้เป็นโลกกมวิชาไปด้วยนะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นกรรมหมดทุกอย่างใช่นะั้มท่านก็จะเป็นอาบัตอย่างเดียวยังไม่ได้ ว, ว่าเป็นกรรมที่นํำไปอำบาปแต่ว่าถ้ามันก็มีอาบาตติดตัวก็มีดีนะแล้วก็บางอย่างก็ไม่พ้นอามันเช่นข้อว่าปฏิบัติต่างๆครับ ถ้าบอกผมรู้มากึงต้องทําวัดอาุบาอจารหรืออะไเนี่ยผมไม่รู้ว่าดีแล้วผมไม่ต้องทํำไออาตุกะวัดอะไรวัดเยอะแยะมากมายนะตอนนี้ผมไม่เรียนผมเห็นไม่เห็นต้องทําเลยอ่าบัตร้็อ่านบัตรไม่รู้ไม่มีอที่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้ก็ถือว่าใจไม่อึดอัดนะครับเพราะนั้นเป็นอาตุศรีนะมันก็มีท่ออยู่ดีนะครับเพราะมันไม่เฉพาะอ่านที่เราจะมาศึกษานะในการมาศึกษาเนี่ยคือใจที่มันไม่อึดอัด เราไม่รู้สิ